ลำดับขั้นตอนในการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อ5สมาธิภาวนาหรือเจริญสมาธิหลักทั่วไปในการปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิพึงทราบว่ากรรมฐานแต่ละประเภทมีรายละเอียดวิธีเจริญสมาธิแตกต่างกันไปแต่กระนั้นก็พอจะสรุปเป็นหลักการทั่วไปอย่างกว้างๆ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 ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานแบ่งเป็นสามอย่างตามลำดับความเจริญคือ 1. บริกรรมนิมิตแปลว่านิมิตขั้นเตรียมหรือเริ่มต้นได้แก่สิ่งใดก็ตามที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐานเช่นดวงกระสินที่เพ่งดูลมหายใจที่กำหนดหรือพุทธคุณที่นึกเป็นอารมณ์ว่าอยู่ในใจ 2. อุกฆานิมิต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 แต่ติดลึกเข้าไปอีกจนเป็นภาพที่เกิดจากสัญญาของผู้ที่ได้สมาธิจึงบริสุทธิ์จนปราศจากสีเป็นต้นและไม่มีมนทินใดๆทั้งสามารถนึกขยายหรือย่อส่วนได้ตามปรารถนาหมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่16ทับประกอบด้วยนิมิต2ออย่างแรกคือบริกรรมนิมิตและอุกหะนิมิตได้ทั่วไปในกรรมฐานทุกอย่าง แต่ปฏิภาคนิมิตรได้เฉพาะในกรรมฐาน22อย่างที่มีวัตถุสำหรับเพ่งคือกะสินสิบอสุภา1ิกายกตาสติและอาณาปานาสติส่วนภาวนาคือการเจริญหมายถึงการเจริญกรรมฐานหรือฝึกสมาธิที่ก้าวหน้าในขั้นต่างๆมี3ขั้นดังนี้ขั้นที่หนึ่งบริกรรมภาวนาการเจริญสมาธิขั้นเริ่มต้น ได้แก่การกาหนดถือเอานิมิตในสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นเพ่งดวงกสินกําหนดลมหายใจเข้าออกที่กระทบปลายจมูกหรือนึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์ว่าอยู่ในใจเป็นต้นพูดง่ายๆว่ากาหนดบริกรรมนิมิตนั่นเองเมื่อกาหนดอารมณ์กรรมฐานคือบริกรรมนิมิตนั้นไปจนมองเห็นภาพสิ่งนั้นติดตาติดใจแม่นยำก็เกิดเป็นอุกขะนิมิต จิตก็เป็นสมาธิขั้นต้นที่เรียกว่าบริกรรมสมาธิซึ่งก็คือขณนิกะสมาธินั่นเองขั้นที่2อุปจาระภาวนาการเจริญสมาธิขั้นอุปจาระได้แก่อาศัยบริกรรมสมาธิเอาจิตกำหนดอุคขะนิมิตต่อไปจนกระทั่งแน่วแน่แนบสนิทในใจเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นนิวรณ์ก็สงบระงับเป็นอุปจาระสมาธิ ในกรรมฐานที่ไม่มีวัตถุเพ่งเพียงแต่นึกถึงอารมณ์อยู่ในใจไม่มีปฏิภาคนิมิตกำหนดด้วยจิตแน่วแน่จนนิวนรังอัพไปอย่างเดียวจิตก็ตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิเช่นกันซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของกามาวจรสมาธิขั้นที่3อัอปปนาภาวนาการเจริญสมาธิขั้นอปปนาได้แก่เสพปฏิภาคนิมิตที่เกิดขึ้นแล้วนั้นสม่ำเสมอด้วยอุปจารสมาธิ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 ก็ให้เกิดปฏิภาคนนมิตด้วยและสำเร็จผลถึงอัปปนาสมาธิได้ทั้งนี้มีแปลกแต่อัปปมัญญาที่โดยมากเรียกกันว่าพร ม, มวิหารซึ่งแม้จะไม่มีปฏิภาคนิมิตเพราะไม่มีวัตถุธรรมเป็นอารมณ์แต่ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์จึงมีความชัดเจนเพียงพอและให้เกิดอัปปนาสมาธิได้ท่านว่าอัปปมัญญาถึงจะไม่มีปฏิภาคนิมิตยอย่างพวกสิมเป็นต้น แต่ก็มีสีมะสัมเพศเป็นนิมิตและเจริญนิมิตนั้นไปจนบรรลุอัปปนาสีมะสัมเพศคือภาวะที่จิตเมตตาเป็นต้นนั้นเจริญบริบูรณ์หมดความแบ่งแยกเป็นไปต่อสัตว์ทั้งปวงเสมอกันเมื่อบรุปฐมฌานแล้วต่อจากนั้นก็เป็นการบำเพ็ญความชำนาญให้เกิดขึ้นในปฐมฌานนั้นและทาความเพียรเพื่อบรุฌานขั้นต่อๆขึ้นไปตามลาดับ ภายในขอบเขตความสามารถให้สำเร็จผลของกรรมฐานชนิดนั้นๆเป็นอันได้บรรลุผลของสมถะตามสมควรที่ว่าบำเพ็ญความชำนานให้เกิดขึ้นในปฐมฌานนั้นความชำนานนั้นเรียกว่าวสีมีห้าอย่างคือหนึ่งอาวัชนะวะสีชำนานในการนึกตรวจองค์ฌานที่ตนออกมาแล้ว 2. สมาปัจชนะวะสี ชำนาญในการเข้าฌา น, นนั้นๆได้รวดเร็วในทันทีทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการสามอธิฐานวสีชำนานในการอธิษฐานคือตั้งจิตยับยั้งอยู่ในฌานได้นานเท่าที่ต้องการไม่ให้ฌานาจิตตกผวังเสีย 4. ีุตฐานวสีชำนาญในการออกจากฌานออกได้ตามเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อใดก็ได้ ตามที่ต้องการ 5. ปัจจเวขณะวสีชำนานในการพิจารณาทบทวนองค์ฌานคือการทำอย่างอาวัจนะวสีนั่นเองที่เป็นครั้งหลังๆต่อ น, นั้นมาท่านว่าถ้ายังไม่ได้วสีในฌานลำดับต้นก็อย่าพึ่งเจริญฌานขั้นต่อไปมิฉะนั้นอาจเสื่อมทั้งจากฌานที่ได้แล้วและยังไม่ได้อันหนึ่ง มติของพระอัตถกถาจารย์มีว่าอาวัจนะวสีและปัจเวขณะวสีเนื่องอยู่ด้วยกันในวิถีจิตเดียวกันคือในช่วงอาวัจนะเป็นอาวัจนะวสีและในช่วงจวนาขณะเป็นปัจเวคขณะวสีแต่จะแยกความหมายอย่างไรก็ได้ประโยชน์เท่ากัน